ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยนทั้งหลายพระภิกษุสุมเมรนนทากันตั้งใจที่จะปฏิบัติคือเราพากันทำการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่าการปฏิบัติบูบ ช, าาาาบบบชานั้นประเสริฐกว่าอามิสบูชา เพราะการปฏิบัติบูชาชื่อว่ารักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเรานั่งสมาธิเกิดความเจ็บปวดความเมื่อยความโกรวนกรวยแต่เราก็ต้องคิดว่าในขณะนั้นเรากําลังรักษาพระพุทธศาสนานอกเหนือจาก รักษาพระพุทธศาสนาเราก็ได้ชื่อว่าทำประโยชน์ให้กับตัวของเราด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรคำนึงถึงว่ามันจะเจ็บปวดเมื่อเหนื่อยหิ ว, วกวนก็าวแค่ไหนเราก็ต้องทำใจของเราให้แน่วแน่เพราะการที่จะสำเร็จ หรือการที่จะเกิดผลประโยชน์นั้นมันเกิดขึ้นเพียงวินาทีเท่านั้นเองผลที่ได้รับสิ่งที่สําเร็จเราลองดูกันแล้ว ก, การคิดดูแล้วกันว่าการสําเร็จนั้นมันอยู่ที่วินาทีสุดท้ายเหมือนกันกับเรารับทานอาหารเนี่ยมันไปสําเร็จเอาคําสุดท้ายคือคําอิ่มคําสุดท้าย ตัวหนังสือก็ไปจบเอาตัวสุดท้ายสุดท้ายนั่น่ะมันไม่กี่วินาทีสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันที่มันจะเกิดผลประโยชน์หรือที่จะให้สำเร็จนั้นมันอยู่ในวินาทีสุดท้ายแต่ก่อนจะถึงวินาทีสุดท้ายนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการกระทามานานบ้าง ไม่นานบ้างก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์ น, นั้นๆอย่างบ้านอย่างนีน้หลังมันโตก็นานหน่อยหลังมันเล็กก็ไม่นานเท่าไหร่แต่เวลาที่จะสําเร็จนั้นมันมีอยู่เวลาหนึ่งสมาธิของเราก็เช่นเดียวกันมันก็มีอยู่เวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องคํานึงถึงความทุกขเวทนา ที่จะเกิดขึ้นกับเราเรียกว่ากัดฟันต่อสู้ตอนนี้ไปให้ทุกคนพากันวาดตามอตามาจะเป็นผู้นำข้าพเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมรคุณพระสงฆ์คุณบิดดามานดาคุณครูบาอาจารย์ จงมาโดนดันดาให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจ นั่งสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจไม่ต้องส่งใจมาที่เสียงเสียงแห่งพระธรรมเทศนาจะเข้าทางหูรู้ถึงใจเองธรรมะจะเข้าสู่ใจเอง ใจของเรานั้นให้ทําเป็นประดุจภาชนะน้ําฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าสู่ผืนแผ่นดินเข้าสู่ภาชนะของเราเราก็สามารถรองรับภาชนะนั้นรองรับน้ําฝนได้เต็มที่เปรียบเหมือนกันกับกระแสของพระธรรมกระแสของพระธรรมนั้นจะออกไปตามเสียงเมื่อออกไปตามเสียงแล้วจะเข้าทาง ูของเราแล้วก็จะเข้าสู่ถึงใจเรียกว่าเป็นประตูรับธรรมะธรรมะเข้าไปสู่ใจเองนั่นเรียกว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนก็คือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอมตะธรรมธรรมะที่เข้าสู่ใจนี้ยากนักหนาที่เราจะมีธรรมะเข้าสู่ใจของเราได้ ในวันและคืนเดือนและปีเราจะมีแต่อารมณ์และสัญญามนานนบประการที่มันจะหลั่งไหลเข้าสู่ใจของเราแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เป็นความโลภความโกรธความหลงส่วนธรรมะหรือกระแสธรรมที่เข้าสู่ใจของเรานั้นเป็นส่วนที่จะทำให้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเรา แล้วก็ไปสะสมเป็นพลังการสะสมของธรรมะนั้นนำสุขมาให้การสะสมของธรรมะนั้นนำความบริสุทธิ์มาให้เพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เราได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งผันชนะของเราให้ดีและปล่อยให้ธรรมะเหล่านี้หลั่งไหลเข้าสู่ใจ ถึงแม้ว่าจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งเช่นเดียวกันกับเรารับประทานอาหารเราจะเห็นมาล็ดข้าวก็ตามเราจะเห็นเนื้อเห็นปลาเห็นอาหารต่างๆก็ตามเราไม่เห็นก็ตามเมื่อเราเปิดมันเข้าไปมันก็จะต้องไปเป็นประโยชน์ทุกชิ้นทุกอันที่จะเข้าไปเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันย่อมที่จะต้องไปเป็นประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่จิตใจของเราทุกบาต ท, ทุกคาถาและทุกคำจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามเหมือนดังที่นกข้างเขาที่มันจับอยู่ที่บนถ้ำมีพระจำนวนหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในถ้ำ สวดมนต์เสียงสวดมนต์นั่นคัขงขาวมันก็คงไม่รู้ว่าพระท่านทำอะไรแต่ในที่สุดนั่นพวกคังขาวเหล่านั้นมันลืมตัวปล่อยเท้าของมันลงมาหัวกระทบหินคัขงขาวได้ตายหมดทั้งฝูงและคังขาวเหล่านั้นก็จิตได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงได้ไปเกิดเป็นเท พ, พบุตรทั้งหมดในจำนวนครั้งคราวที่ตายไปเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามในเมื่อลังไหยเข้าสู่ใจของเราแล้วนั่นคืออมรมาิตธรรมที่จะเข้าไปเป็นบุญเข้าไปเป็นวัสนาเข้าไปเป็นบารมีเข้าไปเป็นส่วนที่เรียกว่าสนับสนุนให้จิตใจของเรานี้ได้รับการพัฒนา และมีความสูงขึ้นตามลําดับความสูงของใจนั้นอยู่ที่การฝึกฝนการฝึกฝนนั้นอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรของแต่ละบุคคลที่พระพุทธองค์ทรงจัดว่าขันติทีรัสรังกาโลความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติตโปตปัสสิโนความอดทนเป็นเครื่องแผดเผากองกิเลส ขันติพลังวยะตีนังความอดทนนั่นเป็นกําลังของผู้บําเพ็ญพรตขันติหิตตะสุขาวหังความอดทนนั้นย่อมนําความสุขมาให้อดทนหมายถึงอดทนต่อการทําความดีอดทนต่อการจําศีลดอดทนต่อการภาวนาอดทนต่อการทําบุญกุศลทั่วไปความอดทนเหล่านั้นถือว่า เป็นความอดทนที่เป็นขันติหิตะสุขาวังเคอดทนความอดทนนำความสุขมาให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวของเราที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงว่ารูปังภิกเวอานตตาดูกนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เชยตนที่พระองค์ทรงสแสดงนั้นก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่ารูปนี้มันเป็นเพียงธาตทั้งสี่ ดินน้ำไฟลมเท่านั้นแต่เราก็พากันหลงรักหลงชังมันแต่แท้ที่จริงนั่นมันคือธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ส่วนใดที่เรียกว่าแข็งแข็งอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าธาตุดินส่วนใดที่เหลวเหลวก็เรียกว่าธาตุน้าส่วนใดที่พัดไปพัดมาก็เป็นธาตุลมส่วนใดที่ทำร่างกายของเราให้อบอุ่นก็เรียกว่าธาตุไฟ ทั้งสี่อย่างไปชุมพร้อมกันเข้าก็เป็นร่างกายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จริงได้ทรงตรัสว่ารูปังพิกเวอนัตตาดูกนพิกษูทั้งหลายรูปนี้ไม่ใช่ตนการที่เราถือเป็นตัวเป็นตนแล้วเกิดกิเลสเกิดขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของการสมมุติเราได้สมมุติกันขึ้นเมื่อเราสมมุติแล้วเราก็ได้ไปหลงสิ่งที่เราสมมติขึ้นมานั้นนั่นแหละ คเรียกว่าโมหะในกิเลสทั้งสามกองนั้นมีกองที่หนึ่งก็คือความโลภเรียกว่าโลภะกองที่สองเรียกว่าความโกรธก็เรียกว่าโทสะกองที่สามเรียกว่าความหลงก็เรียกว่าโมหะเพราะฉะนั้นโมหะที่ความที่ไม่เข้าใจนั้นจึงได้ประกอบพร้อมด้วยอวิชชาเมื่อมีอวิชชาอยู่แล้ว กิเลสทั้งสามกองก็รวมตัวกันเป็นกำลังเพื่อที่จะผลักดันบุคคลให้เข้าไปสู่จุดหนึ่งจุดนั้นคือความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะแก้ือพระพุทธองค์ของเรานั้นไม่ได้ทรงเกรงใจคือไม่ทรงเกรงใจว่าเมื่อพระองค์เทศนาไปแล้วคนจะชอบก็าตามไม่ชอบก็าตามเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตาม แต่พระองค์ได้ทรงตรัสกวานจริงต้องการที่จะให้เป็นหิตรนุหิตประโยชน์แก่มวลมนุษย์ชาติทั้งมวลเหมือนกันกับคนที่ผ่าตัดคนผ่าตัดเรีย ก, กว่าหมอผ่าตัดไม่ต้องเกรงใจคนที่เป็นโรคร่างกายจะเป็นอะไรไม่ทราบฉันมีมีดฉันจะปาดมันลงไปตรงไหนมันเป็นโรคฉันจะตัดมันออก แกจะเจ็บก็จะปวดก็จะเป็นอะไรฉันไม่รู้ด้วยแต่ฉันมีหน้าที่ที่จะต้องการให้คนผู้นี้หายจากโรคไยแล้วก็ทำการผ่าตัดทันทีไม่ต้องกลัวว่าคนผ่าตัดจะเจ็บปวดแค่ไหนอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสแสดงธรรมทัท้ในเบื้องต้นทัามกลางและที่สุดเพื่อที่จะให้ผู้คนทั้งหลายนั้น ได้รู้ความจริงถึงแม้ว่าพระดํารัสที่พระองค์ดํำรัสไปนั้นต้องกระทบบุคคลผู้หนึ่งบุคคลผู้ใดจําพวกหนึ่งจําพวกใดก็าตามพระองค์ไม่ได้ทรงคํานึงถึงคำานึงถึงแต่ว่าเมื่อใครปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะบังเกิดผลคือความดีงามที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถทําให้เขาเหล่านั้นพ้นไปจาก วงแห่งความทุกข์ได้ด้วยประการทั้งปวงการยกย่องการสรรเสริญหรือเรียกว่าพวกเท่ประจบสอพอต่างๆเหล่านั้นเขาพระพุทธองค์ทรงตรัสตาหนิติเตียนตาหนิติเตียนว่าพวกเหล่านั้นพากันหลงอยู่ในโลกกระทำโลกธรรท ม, มีมีมีอยู่กี่อย่างแล้วเรียกว่าโลกธระทำแป โลกกระท8แปดนั้นก็คือได้ยศเสื่อมยศได้ลาบเสื่อมลาบมีสุขมีทุก์นินทาสรรเสริญเหล่านี้เรีย ก, กว่าโลกกระทมโลกกระมนี้อยู่ประจําใจมนุษย์โลกทั้งหลายซึ่งพอใจในการที่จะมีโลกกรรมเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าโลกกรรมนั้นมันประกอบพร้อมไปด้วยอารมณ์ต่างๆคอยยกยอบุคคลว่า คอยคุมครูบุคคลบ้างได้มาบ้างเสียไปบ้างอะไรเหล่านี้ลว้วนแล้วแต่เป็นเรื่องแห่งโลกธรรมโลกธรรมเหล่านี้คนย่อมติดคือติดมันใครๆก็ยอมมันคือยอมเพราะอยู่ภายใต้อำนาจแห่งโลกธรรมมียศ ด, ดีใจยศเสียไปเสียใจได้เงินมาดีใจเสียเงินไปเสียใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือ จิตที่อยู่ในสํานึกที่อยู่ภายใต้แห่งอํานาจของโลกธรรมแต่อองสำเ็จพระสมมานสมพุธเทธเจ้านั้นพระองค์ทรงแก้เรียกว่าพราะองค์ทรงตรัสเลยตรัสว่าอย่างกองกองเลยว่าเมื่อโลกกระทถูกต้องแล้วไม่มีการหวั่นไหวจิตตังยัะนากรรมปติจิตนี้ไม่หวั่นไหวพุทธสโลกธรรทเมหิเมื่อโลกกระทถูกต้องแล้ว จิตตังยักษะนะกรรมปติจิตนั้นก็ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่หวั่นไหวแล้ววิระชังก็ไม่มีทุรีแต่ถ้าหากว่าบุคคลผู้ที่ถูกโลกกระทำกระทบกระเทือนเข้าไปแล้วเกิดความหวั่นไหวขึ้นเรียกว่าบุคคลผู้นั้นก็ยังเป็นผู้มีจิตที่เป็นทุลีทุลีนั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดความสกรปรก จิตใจก็เกิดความสกรปรกขึ้นเมื่อจิตใจเกิดความสกรปรกขึ้นก็เรียกว่าเต็นไปด้วยธุลีเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้พากันเหยียบย่างเข้ามาปฏิบัติธรรมะในเรื่องของจิตใจแล้วเราก็เริ่มต้นด้วยความสงบความสงบที่เกิดขึ้นนั้นเคเกิดขึ้นด้วยอะไรเกิดขึ้นด้วยการบริกรรมพุทโธ เมื่อคำบริกรรมพุโทโธเกิดขึ้นในจิตของเรานั้นจิตของเราก็เริ่มเป็นสมาธิการเป็นสมาธินี้ก็จะมีความละเอียดขึ้นตามลําดับอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัฌานปฐมฌานนั้นมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกวิจาร ก็คือการบริกรรมจะบริกรรมอะไรอะไรก็ตามที่เรียกว่าพุทธโธก็ตามหรือบริกรรมคำอื่นก็ตามการบริกรรมนั้นถือว่าเป็นวิตกวิจารเมื่อบริกรรมไปแล้วจิตก็เป็นเอกััคตาคือความเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็เกิดปีติคือความเ อ, อิบอิม่มแล้วก็เกิดความสุขคือความสบายนี่คือปฐมฌานเกิดขึ้น ปฐมฌานเกิดขึ้นนั้นจะรู้สึกว่ามีตัวเบาแล้วก็รู้สึกว่าอารมณ์ต่างๆหายไปรู้สึกว่าอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่รับอารมณ์ทั้งปวงแต่ว่าปฐมฌานนั้นจะอยู่ได้ก็ไม่นานนักเพราะว่าเป็นฌานชั้นต่าอยู่ไปได้เพียงชั่วขณะแต่เดี๋ยวอารมณ์มันก็จะกลับคืนข้ามาเกิดใหม่เมื่อกลับคืนข้ามาเกิดใหม่ ก็จำเป็นที่จะต้องตั้งวิตตกวิจารณ์ขึ้นมาใหม่เทพุทธโธหรือเรียกว่าบริกรรมขึ้นมาใหม่เมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็จะสงบอีกเมื่อสงบต่อไปอีกแล้วต่อมาภายหลังจิตนั้นก็จะต้อ ง, งสั้นต่อไปอีกแล้วก็กลับมานึกพุทธโธใหม่ก็ตั้งแล้วตั้งเรียกว่าตั้งแล้วตั้งอีกเหมือนกันกันกบเด็กเราจับมันมายืน มันไม่มีแรงพอมันก็ล้มลงไปล้มลงไปก็จับมันมายืนอีกแล้วมันก็ล้มลงไปมันเพราะว่าแรงมันไม่พอมันยังเด็กมากจิตที่ยังเป็นเด็กหมายความว่าจิตที่ยังเป็นปฐมฌานก็จะต้องออพอเข้ามาเป็นเอกคตาพอมีความสบายสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายจากความสบายนั่นไปจิตมันก็เริ่มที่จะฟุ้งซ่านต่อไปอีก ก็ต้องเริ่มกลับมานึกพุโทโธใหม่เป็นอย่างนี้ต่อมาภายหลังจิตอันนี้แหละที่เป็นปฐมฌานอันนี้แหละมันก็จะต้องเป็นปัจจัยต่อไปถึงทุติยฌานการถึงทุติยฌานนั้นท่านแสดงว่าทุติยฌานมีองค์สามทุติยฌานมีองค์สามก็คือตัดมิจตวิจาร์ออกไปเหลือแต่ปีติ เหลือแต่ปิติสุขเอกักตาปิติสุขเอกักตาสามเรียกว่าองสามตัดวิตกวิจาร์ออกไปเรียกว่าทุติยฌานเมื่อตัดวิตกวิจารณ์ออกไปก็คือตัดคำบริกรรมออกไปบุคคลผู้นั้นจะทําจิตให้เป็นหนึ่งได้ด้วยการไม่ต้องบริกรรมคือการไม่ต้องบริกรรมนั้นจิตก็ยังตั้งอยู่ได้ถือว่าผู้นั้นได้เลื่อนขั้นขึ้นมา จากขั้นที่หนึ่งมาถึงขั้นที่สองแล้วเมื่อเลื่อนมาถึงขั้นที่สองอันนี้ไม่ต้องบริกรรมจิตนั้นตั้งอยู่ได้แต่ว่าเราจะไปเลื่อนเองนั้นย่อมไม่ได้บางคนก็อยากจะเลื่อนชั้นแต่ว่าไปเลื่อนเอาเองมันเลื่อนไม่ได้หรอกเหมือนกันกับเราเรียนหนังสือเราจะไปเลื่อนชั้นเอาเองมันก็ไม่ได้มันต้องสอบมันต้องเลื่อนชั้นตามกาหนดเวลา เหมือนกับจิตที่จะเข้าสู่ทุติยชานการจะเข้าสู่ทุติยชานนั้นก็จำเป็นอยู่เองจำเป็นอยู่เองที่จะต้องอาศัยความชำนาญในปฐมฌานมาก่อนคือบริกรรมจนชำนาญจนกระทั่งไม่ต้องบริกรรมจิตนี้มันก็นิ่งได้มันก็เหลือความเอิบอิ่มเรียกว่าอิ่มเอิบแล้วก็ความสุขสบายแล้วก็ความเป็นหนึ่งของใจอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตนี้ก็ถือว่าได้รับการฝึกฝนที่ดีและถูกต้องเลื่อนชั้นขึ้นมาตามลำดับมาเป็นทุติยฌานซึ่งมีปีติสุขเอกขตาอยู่ในขณะที่เราได้กระทําไปเช่นนี้นั้นก็เกิดความแก่กล้าขึ้นตามลำดับจิตนี้ก็จะเริ่มต่อไปถึงตติยฌานคือชั้นสาม ชั้นสามนั่นก็ลดองเหลือสองคือมีแต่ความสุขกับเอกขัตตาในชั้นที่สามนี่ตัดปีติออกไปการตัดปีตินั่นคือความเอิบอิ่มนั้นออกไปนั่นก็หมายความว่าผู้นั้นได้เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมามากแล้วรักการฝึกฝนมามากจนกระทั่งมีแต่ความสุขแล้วก็ความเป็นหนึ่งความปีติไม่มี ข้อนี้เป็นข้อที่เปรียบเทียบเหมือน ก, นกันกับคนที่ได้เงินครั้งแรกได้เงินมาไม่เคยมีเลยหรือมีก็หลายร้อยพันพันได้เงินมาเป็นล้านก็เกิดความเอิบอิ่มเรียกว่าปีติยินดีกับเงินที่ได้มานั้นเหลือหลายไม่เคยนั่งคิดนอนคิดก็เค ย, ยินอยู่ในใจอย่างนี้เขาเรียกว่าปีติแต่ถ้าหากว่า คนนั้นต่อมาเงินมันก็ได้มาอีกสองล้านห้าล้านเป็นสิบล้านเป็นหลายล้านอย่างนี้ไอการที่จะมีความเอิอิ่มเหมือนเก่านั้นย่อมไม่มีเพราะว่ามันมากไปแล้วมันก็เลยอย่างนั้นอย่างนั้นเองจิตก็เลยไม่มีคือไม่มีความเอิกอิ่มเหมือนอย่างกันกับที่ได้ครั้งแรกได้ล้านแรกอย่างนี้ ข้อนี้ท่านก็เปรียบเหมือนกันกับตัติยฌานตัติยฌานนั้นเตติไม่มีเพราะว่าสมาธิได้มาหลายหนแล้วความเ อ, อิบอิ่มได้มามากแล้วได้มาจนชินนี่คือหมายความว่านับสิบนับร้อยนับพันคือเรียกว่านับไม่ถ่วนจิตชั้นนี่มันรวมนับไม่ถ่วนแล้วมันสบายมานับไม่ท่วนแล้วมันเกิดขึ้นมานับไม่ท่วนแล้วที่มันเป็นเช่นนี้ ความปีติก็อาจเกิดขึ้นในเมื่ อ, อยู่ในทุติยชานแต่เมื่อมาถึงตัติยชานแล้วมันมากแล้วเหมือนกับคนที่ได้เงินมากแล้วไอ้ปีติมันก็ไม่มีมีแต่ความสุขอ่ะมีแต่ความสุขก็ความเป็นหนึ่งของจิตนี่เรียกว่าจิตขึ้นมาในชั้นที่สามจากนั้นจิตเมื่อทำมากเข้าคือการเจริญให้มากทำให้มากนี่จิตจะไม่หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่นั้น จิตนี้จะก้าวหน้าตลอดไปทีนี้จากตาิยชนก็ขึ้นมาจะตุถิยชานที่ขึ้นมาถึงจะตุถิยชานก็คือชั้นที่สี่เป็นเรียกว่าชั้นสุดท้ายของรูปฌานเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วความสุขก็ไม่มีมีแต่ความวางเฉยเรียกว่าอุเบกขากับเอกอกัคตาอันนี้เรียกว่าเหลือล้นพ้นประมาณเมื่อเหลือล้นพ้นประมาณแล้ว ก็อย่างงั้นอย่างนั้นเองแหละมันไม่เหมือนกันกับว่าเมื่อตอนที่ยังไม่มีเงินเขาเอาเงินมาให้เราเป็นล้านเราก็ดีใจชื่นอกชื่นใจมีสิบล้านยี่สิบล้านก็ยิ่งมีความสุขใจว่าฉาตินี้เราก็ไม่ต้งองอไม่ต้องลําบากแล้วแต่ทีนี้มันมีมากจนกระทั่งหมื่นล้านแสนล้านมันนับไม่ไหวะแล้วความสุขก็ไม่มีอีกเรทว่าความสุขไม่มีคือมันเฉย มันมากเกินไปแล้วมันก็เฉยเฉยเพราะว่ามันเฉยเฉยจึงเรียกว่าเป็นอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบี่ว่าเมื่อจิตของเราสงบรวมในรักความสมบายนักจำนวนไม่ทวนไม่รูปเป็นมาเท่าไรแล้วเหลือหลายแล้วจนกระทั่งมากมายเหลือล้นก็มาถึงชั้นสี่เรียกว่าจะสุดทาน เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็เรียกว่ามีจิตเป็นสมถะเต็มที่เหรือเรียกว่าจิตเข้มแข็งมีกำลังไม่มีการที่จะเสื่อมคลายไปได้ง่ายๆคือมีกำลังแข็งแรงถ้าเราจะเปรียบก็เหมือนกับคนที่เป็นหนุ่มแล้วเป็นสาวแล้วมีกำลังเต็มที่แล้วไม่ต้องมีใครไปประคองแล้วถ้าหากว่ามีคนมาประคองมันก็ลาคาญ ตัวใหญ่เบ้ลแล้วใครจะต้องไปประคองเดินเองก็ได้กินเองก็ได้ทําเองก็ได้เที่ยวเองก็ได้ไปไหนก็ได้นี่เรียกว่าถึงขั้นโตที่สุดสมสถะหรือเรียกว่าจะตุดไทชานนี่ก็เรียกว่าโตที่สุดมาถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าโตที่สุดเมื่อพูดอย่างนี้แล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักอะไรเป็นหลักในการที่เรา พากันทำทาความเข้าใจให้แก่ตัวของเราว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมาถึงขั้นนี้แล้วมันมีอะไรเป็นหลักสิ่งที่จะต้องเป็นหลักนั่นก็คือพลังจิตหรือเรียกว่าความแข็งแกร่งของจิตพลังจิตและความแข็งแกร่งของจิตนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากสิ่งอื่นใดไม่ใช่เกิดขึ้นจากเงินทองมากมายร้อยล้านพันล้าน หรือไม่ใช่เกิดขึ้นจากยบถาบรรดาศักดิ์มากมายกายกองหรือไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากสมบัติปัสถานแต่มันเกิดขึ้นมาจากการฝึกหัดจิตใจจิตใจที่ได้รับการฝึกหัดมาตามลำดับนั้นจิตใจอันนี้ต่างหักที่เป็นจิตใจแห่จิตใจที่เกิดความแข็งแกร่งคือได้รับการฝึกฝนจากสมาธิมาความแร่งของจิตนี่มันจะเพิ่มเป็นพลัง ความแก่งของจิตเ ร, เรียกว่าพลังจิตเท่สุดถึงที่สุดคือจุดประสงค์แท้จริงที่เราเรียกกันว่าปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจตุทัยฌานอะไรเราก็เรียกกันไปล่ะเรียกว่าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สเราก็ว่ากันไปแต่ว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วคือความแข่งหรือเรียกว่าพลังจิตอันนี้ต่างหากที่ียกจะเป็นจุดประสงค์ ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละในเมื่อคนที่เกิดขึ้นมานี่เรียกว่าตั้งแต่เด็กๆน่มันก็ไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่โตขึ้นมามันก็ค่อยมีกำลังตามขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่เด็กโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงความเป็นหนุ่มนั่นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิดขึ้นมาจากอาหารหรืออากาศหรือสิ่งต่างๆแวดล้อมก็เรียกว่า มีสุขภาพดีจเจริญขึ้นมาและจุดประสงค์ของคนนั้นอะอะไรจุดประสงค์ของคนก็คือว่าต้องการความเป็นใหญ่เป็นโตมีกําลังมีเรี่ยวมีแรงเป็นคนอะโดยจุดประสงค์ก็คือต้องการเป็นคนเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นเบ็กอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่ว่าต้องการที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์ แต่ที่การที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์นั้นต้องกินข้าวบ้างต้องนอนบ้างต้องเล่นบ้างต้องไปทำอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นในที่สุดที่สุดนั้นต้องการความเป็นคนที่เต็มที่อันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับสมาธิถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าอันนี้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุถฌานแต่ที่จริงแล้วนั้นจุดประสงค์เต็มที่ก็ต้องขบ ก, การพ ร, รังจิตอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เรา ผู้ปฏิบัติจะต้องทราบเอาไว้ว่าการกระทำของเราที่เราทําทุกวันทุกวันที่มีความตั้งออกตั้งใจใจกระยกระทำกันอยู่เสมอเสมอในขณะนี้ในเวลานี้นั้นก็โดยจุดประสงค์ความพอเพียงแห่งความต้องการหรือเรียกว่าความมีพลังกิตหรือเรียกว่าเป็นผู้มีสมรรถพอเพียงอย่างนี้เป็นต้น ครั้นเมื่อเรามีสมถะพอเพียงแล้วนั่นเราจะจบลงเพียงแค่นั้นหรืออันนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าจบเพียงแค่นั้นก็ไม่ถือว่าเราได้ศึกษาพระพุทธศาสนาการที่เราศึกษาพระพุทธศาสนานั้นเราต้องการการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนั่นคือบรรลุเป็นพระโสดาหรือเรียกว่าอริยบุคคลชั้นหนึ่ง พระสกิทาคาเรียกว่าพระอริยะบุคคลชั้นสองพระอนาคาเรียกว่าพระอริยะบุคคลชั้นสามพระอรหัน์เรียกว่าพระอริยะบุคคลชั้นสี่ก็เรียกว่าชั้นสุดท้ายอันนี้คือพระพุทธศาสนาที่จะได้เกิดเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมานี่เกิดขึ้นมาจากพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระบรมาศาสดา แต่การที่จะเป็นพระโสดาสกิตรคารนาคารหันใดนั้นก็ต่อเมื่อจะต้องมาบำเพ็ญวิปัสนาถ้าไม่บำเพ็ญวิปัสนานั้นไปถึงนั้นไม่ได้ก็ยังต้องเลลั่นกันไปก่อนถ้าหากว่าเราทำแค่ทำบุญทําทานทำสมาธิไปพอเพียงเป็นพิธีเล็กๆน้อยๆก็ต้องท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์นี่กลับมาเป็นมนุษย์บ้างไปเกิดในชั้นสวรรค์บ้าง อะไรอย่างนี้ท่องเที่ยวไปตามเรื่องถัาพลาดทั้งไปทาความผิดเข้ากับตกนรกไปบ้างอะไรอย่างนี้มันก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนนั้นคือการดำเนินจิตเข้าสู่วิปัสสนาเพื่อความเป็นอริยะบุคคลอริยะบุคคลชั้นแรกเรียกว่าท่านพระโสดาบันนี้ท่านก็ไม่มีการที่ต้องไปตกนรกแล้วคือหมายความว่าท่านเป็นบุคคลผู้เที่ยงแท้ ที่จะต้องไปที่จะต้องแม้ไปสู่ความบรรลุในขั้นสุดท้ายอริยบุคคลเพราะฉะนั้นวิปัสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนาวิปัสนานั่นเราไม่ต้องพูดกันมากวิปัสนามีข้อความที่จะอธิบายนิดเดียวก็คือทุกขังอนิจจงนัตตาสามอย่างเท่านี้เรียกว่าวิปัสนา แล้วทีนี้แม้สามอย่างเหล่านี้เป็นวิปัสสนานั้นเราทําอย่างไรกับทุกขังจะทํายังไงอันนี้จังจะทํำยังไงอานตตาจะทํำยังไงถึงจะเป็นวิปัสสนาองคสําเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าจิตของคนนี้เจือพนไปโดยกิเลสอันนี้ถูกต้องแต่กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากควะจากอะไรเกิดขึ้นมาจากตัณหาคือความรักบนชัง ความรักความกำหนัดยินดีความชื่นชมยินดีอะไรต่างๆในจิตใจของคนเรานี้อันนี้กันเรียกว่าสวิกเกนี์นี่เกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากตัวประสานงานคือร่างกายอันนี้ร่างกายของเรานี้เป็นตัวประสานงานถ้าหากว่าร่างกายนี้ไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีตัวประสานงานมันก็อยู่เฉยๆแต่ถ้าร่างกายนี้มีจิตใจนี้มี ร่างกายก็เป็นตัวประสานงานที่จะให้เราเกิดกิเลสเกิดความรักเกิดความชังขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ขังนี่จึงปรากฏขึ้นในการในวิปัสสนาว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ท่านเรียกกับเป็นความทุกข์แล้วผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายก็คือร่างกายอันนี้เกิดมาร่างกายนี้แก่ร่างกายนี้เจ็บร่างกายอันนี้ตายทีนี้คนที่จะ หลงรักหลงชังกันก็ต้องมีร่างกายนี้เป็นสื่อสัมพันธ์มองเห็นตามองเห็นศีรษะแขนขามองเห็นร่างกายต่างๆแล้วก็เกิดความชอบหรือเรียกว่าเกิดความพอใจเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างกายอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญที่จะต้องจัดการในอันดับแรกของวิปัสสนาจัดการอันดับแรกก็คือหั่นร่างกายนี้ออกมาเป็นชิ้นชิ้น ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุทั้งสี่ถ้าหากว่าพลังจิตเพียงพอนั้นพิจารณาเห็นได้ถ้าพลังจิตไม่เพียงพอนั้นมองเข้าไปทลายมันก็ไม่เห็นเคอมันเห็นเหมือนกันแต่ว่ามันเห็นไปด้วยอา น, นาจกิเลสแต่ถ้าหากว่าพลังจิตเพียงพอนั้นมองเข้าไปแล้วก็เห็นชัดว่าอันนี้คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเกิดอะไรขึ้นเมื่อมองเห็นชัดเจนขึ้นมา เมมองเห็นชัดเจนขึ้นมาก็เกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆอย่างนี้ร่างกายอันนี้ดูสิเวลาเขาเผาลงไปแล้วเนี่ยอย่างท่านมหาการเถระมีพระเถระองค์หนึ่งชื่ว่ามหาการในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ไปอยู่ป่าช้าเมื่อไปอยู่ป่าช้าแล้วในวันหนึ่ง มีเด็กสาวคนหนึ่งอายุประมาณสิบหกปีตายด้วยโรคปัจจุบันเขาหามมาที่ประชาในขณะที่หามมาเขาก็ห่อผ้ามาเมื่อห่อผ้ามาท่านพระมหาท่านมหาการท่านก็บอกว่าให้แก้ออกมาดูทุกอย่างท่านก็แก้ดูจนหมดนี่ร่างกายยังสุดใสเพราะว่ามันเพิ่งตายไม่กี่ชั่วโมงมานี้ในที่สุดท่านก็ไปนั่งสมาธิ เพื่อที่จะสะกดใจของท่านไม่ให้ใจนั่นต้องฟุ้งซ่านไปตามกิเลสแล้วก็บอกให้สัพเพเรว่าเอาขึ้นเชิญตะกรเผาพอเผาแล้วให้มาบอกอีกทีในที่สุดเมื่อสัพเพเรเผาท่านก็ออกมาดูในคราวนี้ก็ถูกไฟเผาผานดำเป็นตอตะโกแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปื่อยออกไปเปื่อยออกไปในที่สุดท่านมาหาการท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต อยู่ที่ตรงข้างเชิงตะกรันนั่นเองอันนี้เรียกว่าทุกขังการที่จะพิจารณาให้เป็นวิปัสสนานั้นต้องการที่จะให้จิตหลุดพ้นนั้นมันก็ต้องามาถึงจุดนี้ทเทนี่อันนี้จังคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั้นมันก็เกิดขึ้นจากสังขารสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองมีใจคลองก็คือร่างกายเราร่างกายเขาหรือว่ า, าสัตว์ต่าง ที่ไม่มีใจคลองก็คือบ้านเรือนทรัพย์สินสมบัติสึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเบื้องตน้นสิ่งเห ล, ล่านี้คําค้าทำกลางสิ่งเหล่านี้แตกสลายที่สุดอยู่ไปไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้แต่มีพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งนั้นนั้นเรียวกว่าจุลบรรทกท่านจุลบรรทกนั้นพระพุทธเจ้าให้ไปนั่งอยู่ที่หน้ากุฏิเมื่อนั่งอยู่หน้ากุฏิแล้ว ท่านก็อธิษฐานผ้าชัดหน้าขึ้นมาผืนหนึ่งให้ท่านพระจุลบัรพทกนั่นดูผ้าชัดหน้าผืนนั่นแกะสลักสวยมากปักสวยมากเลยเรียกว่าผ้าชัดหน้าที่สวยที่สุดในขณะนั่นแบบมันกล้าเมื่อสองมาถึงหน้าท่านท่านจุลบันทกเหงื่อมันก็ไหลออกมาเมื่อเหงื่อไหลออกมาท่านก็เอาผ้าชัดหน้าผืนนั่นแหละถูเข้าไปที่เหงื่อ ซึ่งไม่กี่ครั้งท้าชัดหน้านั้นก็ค่อยคล้ำลงรำ ล, ลงในที่สุดท้าชิดหน้าที่สวยงามเหล่านั้นมันก็เลยเออมองดูแล้วมันเป็นสิ่งสกดิ์สิทธิ์ไปแล้วท่านพระจุลบรรถกนั้นได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ท่านชัดหน้านั่นเองอันนี้เรีย ก, กว่าอานิจจงอนัตตานั้นอย่างที่เ อ, อท่านพระปัญจวคีทั้งห้าเทท่าน ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะมันไม่ใช่ตัวตนเพราะอะไรมันจึงไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเรานี่แกจะแก่นะมันก็จะกแก่แก <avier, S 1> จะเจ็บนะมันก็จะเจ็บแกจะตายนะรออีกสักหน่อยก่อนมันก็ไม่ยอมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ในอํานาจคือไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในอํานาจของตัวเราเราต้องการจะให้มันอยู่อย่างนี้แต่มันก็อยู่ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ด้วยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้นสัพพังรูปังสัพภาเวทนาสัพพาสัญญาสัพพาสเพสังขาราสัพพังวิญญาณ์นัง่งเนตังมะมะเนโซหามัสสมิณนะเมโซอัตตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยาถาผูตังสมปัญญายาตตะ บ, บังก็พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ เมื่อท่านพิจารณาถึงว่าอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนเช่นนี้แล้วรูปัสสนิ่งปินิบินติท่านเกิดความเบื่อหน่ายในรูปเวทนาญติปิณิบินติท่านเกิดเบื่อหน่ายในเวทนาสัญญาญติปิณิบินติท่านเกิดเบื่อหน่ายในสัญญาสังขารโสตปินิบินติท่านเกิดเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายวิญญาณัสนิ่งปินิบินติท่านก็เบื่อหน่ายในวิญในวิญญาณเมื่อจิตอันนี้เบื่อหน่ายเช่นนี้แล้วท่านปัญจวัคคีท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในขณะที่นั่งต่อหน้าพระพักต ขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือวิปั ส, สนาการทํำวิปั ส, สนานั้นคือการแพ่ง g สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนดังที่อธิบายมานี้ถ้าหากว่าจิตมันเกิดนิพพยานขึ้นมาเมื่อไหร่จเจริญให้มากก็ทําให้มากอภิน ญ, ญายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัำพอไทยะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิบานไยะก็จะเป็นไปเพื่อความดับสนิทนี่เรียกว่าสมาถะ นี่เรียกว่าวิปั ส, สนาที่อธิบายมาในวันนี้นั้นคืออธิบายสมถะอธิบายวิปั ส, สนาให้เข้าใจว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความดีลึกซึ้งเพียงใดต่อไปนี้นั่งสมาธิกันต่อ